บุกทูสามิห้าพตินทีที่สนามบินนาลาตาลิชชูดิฉันขอจองเที่ยวบินไปเอเทนค่ะรอดบีเรซิร์วิราเลตว่ เ, ท, วเทน รีว่เลตวเทนนี่เป็นเที่ยวบินที่บินตรงใช่ไหมคะอเลโตขอที่นั่งริมหน้าต่างและไม่สูบบุหรี่คะ่ะโปรดิฉันขอยืนยันการจองคะ่ะ Rat บ i p o t r ดิ ok l ong, s ว o j อ rezervacijo. Rada bi potrdila s ล o j ว r e z e ร v a c i j o ียดิฉันขอยกเลิกการจองค่ะรัตบิเพร l ลิตเซวอยอเ r a ์เวชวัตเซียราดาบิ e พรคลิตเซลาสวอยอเร va เวชวียดิฉันขอเปลี่ยนการจองค่ะรัตบิสเปลเมนิวสวอยอเรซ์ เที่ยวบินไปโรมเที่ยวต่อไปออกกี่โมงคะได อ, ดดอริยังมีที่ว่างอีกสองที่ไหมคะมไม่เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้นคะ่ะ เน i m มชรตมตเราจะไปถึงเมื่อไรคะกดตานเราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไรคะกดบูมอัมรถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไรคะกไดเพลียชนอัตบุส นี there, right ่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะนี่กระเป๋าถือของคุณใช่ไหมคะนี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะ ดิฉันสามารถนำกระเป๋าเดินทางไปได้เท่าไหร่คะคลิคลค z a าบยี่สิบกิโลกรัมซกิัมอะไรนะแค่ยี่สิบกิโลกรัมเองหรือคะคายมูดวซคิ